ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าเราเป็นคนคิดมากเรารู้สึกลำคาหแลอมีอาการอื่นแทรกแซงเช่นมึนศรีรษะเราก็อย่าไปห้ามความคิดเราใช้วิธีการไปผ่อนคลายซะเรานั่งคิดอยู่ตรงไหนเราก็ลุกไปเดิน หรือไปทำงานอดีเลกที่ไม่ต้องใช้ความคิดเ น, นี่ยอันเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกสบายมากขึ้นแต่ถ้ายังไม่หายยังคิดฟุ้งซ่านอยู่เราก็อย่าไปท้อทใจให้เราคิดไปสิว่าในไหนมันต้องคิดแล้ว ห้ามเท่าไหร่มันก็ยังไม่ไมหายเราก็ฝึกที่จะคิดไปนในเชิงบวกคิดสร้างสรรหรือคิดไปนในเชิงแก้ปัญหาการที่เราคิดไปนในเชิงบวกคิดสร้างสรรมันทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นบางทีเราอาจจะพบทางออกในปัญหาที่เราติดขัดทำให้เราคิดมาก การที่เรารู้จักคิดในเชิงบวกคิดสร้างสรรค์แล้วมันจะเกิดกำลังใจเพื่อจะช่วยเราแก้ปัญหาต่างๆได้